พุทธศาสนาที่พวกเรามีความศรัท ธ, ธามีความเคารพมีความเลื่อมใสเป็นสถาบันการศึกษาอย่างหนึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่จะให้ความรู้ความฉลาด จาผู้ที่มาศึกษาเพราะความรู้ทางพระพุทธศาสนาเป็นความรู้ที่สามารถนำไปสู่การดับความทุกข์ทางใจได้เป็นความรู้ที่นำไปสู่การดับการเกิดแก่เจ็บตายได้ความรู้ทางพระพุทธศาสนานี้เราเรียกว่าปัญญา ปัญญานี้ก็มีอยู่สามระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งเรียกว่าสุตตามยปัญญาความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาระดับที่สองเรียกว่าจินตามยยปัญญาความรู้ที่เกิดจากการ คิดพิจ า, ารณาไขขวนและความรู้ระดับที่สามเรียกว่าภาวนามยปัญญาความรู้ที่มีสมาธิภาวนาเป็นผู้สนับสนุนเรียกว่าภาวนามยปัญญานี่คือความรู้ที่ ผู้ที่มาศึกษาจากพระพุทธศาสนาจะได้รับและจะได้นำเอาไปใช้ในการดับความทุกข์ใจต่งตางๆดับการเกิดแก่เจ็บตายความรู้ระดับแรกนี้เป็นความรู้ที่ยังไม่สามารถนำเอาไปดับความทุกข์ใจ ได้อย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกับความรู้ระดับที่สองคือระดับจินตามยปัญญาเพราะยังไม่มีกำลังพอที่จะหยุดต้นเหตุของความทุกข์ใจให้ได้อย่างราบคาบก็คือตัณหาความอยากสามประการด้วยกัน กามตัณหาความอยากในกามคุณหา้าคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวตัณหาความอยากทั้งสามนี้จะหมดไปได้ก็ต้องมีปัญญา ประกอบด้วยจิตที่มีสมาธิถ้ามีเพียงสุตะมยปัญญาหรือมีจินตามยปัญญาจะไม่มีกำลังพอที่จะเอาไปทำลายตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจที่เป็นต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายได้ แต่สุตตมายปัญญาแต่ไมยะและจินตามายปัญญาก็มีความสำคัญเพราะถ้ายังไม่มีสุตตมายปัญญาไม่มีจินตามายปัญญาก็จะไม่สามารถมีภาวนาไมยาปัญญาได้นั่นเองดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องเจริญกันก็คือสุตตมายปัญญา คือความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเช่นอย่างที่พวกเรากําลังมาฟังกันในขณะนี้เรียกว่าเรากําลังมาเจริญสุตตมยภาัญญามาเจริญความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นคือได้ยินได้ฟังจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่ ได้ดุดพ้นได้ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วได้ยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้แล้วถ้าได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพรธ ร, รรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีจากพ่ะอระหันตสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีก็จะได้ฟังธ ร, รมแท้ได้ความรู้แท้ ไม่ใช่เป็นความรู้ปลอมเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังทมเราก็จะไม่มีความรู้เพราะเราไม่สามารถที่จะผลิตความรู้ขึ้นมาได้ด้วยตนเองนั่นเองเหมือนกับที่เราต้องไปเรียนหนังสือตามสถาบันการศึกษาตา่างๆ เพราะเราไม่มีความรู้ในตัวเราเองเราจึงต้องไปศึกษาเช่นถ้าเราอยากจะอ่านออกเขียนได้เราก็ต้องไปเรียนโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมระดับอนุบาลขึ้นไปเราก็จะได้รับการเรียนรู้วิธีอ่านหนังสือวิธีเขียนหนังสือแล้วก็วิธี คิดเลขบวกเลขบวกลบคูณหารอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นการเรียนรู้จากผู้อื่นเพราะเราไม่มีความรู้ในตัวเราเองถ้าไม่มีผู้อื่นมาสั่งมาสอนพวกเราก็จะไม่สามารถรู้เรื่องราวต่างๆที่เรารู้กันได้ฉันใดถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนา ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสั่งมาสอนพวกเราพวกเราก็จะไม่รู้ว่าพวกเรานั้นยังมีความทุกข์กันอยู่และไม่รู้ว่าความทุกข์ของพวกเรานี้เกิดจากตัณหาความอยากสามประการคือกามตัณหาความอยากในกามภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็น แล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัณหาทั้งสามนี่แหละนอกจากทำให้เราทุกข์ใจแล้วยังทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บกันมาตายกันอยู่อย่างไม่หยุดไม่หย่อนแล้วเราก็จะไม่รู้วิธีที่จะดับความทุกข์หยุดการเกิดแกเจ็บตาย ดับความอยากต่างๆนี้ได้ด้วยวิธีใดถ้าเราไม่ได้มาศึกษาจากพระพุทธศาสนาแต่พอเราได้มาได้ยินได้ฟังเราก็จะได้ทราบว่าวิธีที่จะดับความทุกข์ละตัณหาต่างๆหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องหยุดด้วยการเจริญศีนสมาธิและปัญญานี้เอง นี่คือความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าความรู้ที่ได้เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังคือสุตตมายญาปัญญาฉะนั้นเวลาที่เราฟังธรรมแต่ละครั้งนี่เรียกว่าเรากำลังเจริญปัญญากันปัญญาระดับแรกระดับ ที่จาเป็นต่อการที่จะเจริญปัญญาระดับที่สองแนละที่สามต่อไประดับแรกเราต้องฟังเทศฟังธรรมก่อนเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะดับความทุกข์ได้อย่างไรอะไรเป็นเหตุที่ทาให้เราต้องกลับมาทุกข์กันมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยก็คือกามาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา ถ้าเราต้องการจะ ด, ดับความทุกข์หยุดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องหยุดการมรตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาเราจะดับการมรตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาได้เราก็ต้องมีมรรคคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาพอเรารู้แล้วว่านี่คื อ, อสิ่งที่เรา ต้องมีต้องปฏิบัติเราก็จะได้นำไปปฏิบัติไปรักษาศีลกันไม่ฝึกสมาธิกันไปฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆแล้วพอเราได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วขั้นต่อไปปัญญาขั้นต่อไปก็จะเกิดตามมาถ้าเรานำเอาไป ปฏิบัติต่อคือเราต้องไปเจริญสุตตามายะปัญญานี้ให้เป็นจินตามายะปัญญา<ม><ม>ก็คือให้เราคิดพิจารณาอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังมาเ<ม>พื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมกันเพราะถ้าเราไม่นำเอาไปพิจิตพิจารณาเอาไปคิดอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราเผลอเราก็จะลืม แทนที่จะหยุดตันหาความอยากเราก็ไปทําตามตันหาความอยากกันแทนที่จะดับความทุกข์กันเราก็เลยไปสร้างความทุกข์กันแทนที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเราก็นํามาไปสู่เราก็ไปเพิ่มการเกิดแก่เจ็บตายเพราะการทําตามความอยากสามประการนี้เป็นการเพิ่มความทุกข์ไม่ใช่เป็นการลดความทุกข์ เป็นการเพิ่มภบชาติเพิ่มการเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เป็นการลดการเกิดแก่เจ็บตายให้น้อยลงแต่ถ้าเรานำเอาความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังมานี้มาพิจารณามาคิดทบทวนอยู่เรื่อยๆว่าเราทุ ก, กันทุกวันนี้ก็เพราะความอยากของเรา เราเกิดมาเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆก็เพราะความอยากของเราเราต้องไปเจริญศีนสมาธิปัญญากันถ้าเราอยากที่จะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่เราจะทำอะไรเราก็จะ รู้ว่าเรากำลังทำถูกหรือทำไม่ถูกถ้าเราเกิดความอยากขึ้นมาอยากไปเที่ยวเราก็รู้แล้วว่าเรากำลังคิดไปในทางที่ไม่ถูกเพราะว่าเรากำลังคิดไปในทางที่จะเพิ่มความทุกข์ขึ้นมา <S 2> <S 2> คิดไปในทางที่จะเพิ่มภพชาติขึ้นมาเราก็จะกลับมาคิดในทางที่ถูกแทนที่จะคิดไปเที่ยวเราก็คิดไปวาดกันแทน กานที่จะไปเที่ยวกันสามวันสองวันในวันหยุดทำงานเราก็ไปอยู่วัดกันแทนไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมกันแทนอย่างนี้ก็จะทำให้เราได้เจริญมักเครื่องมือที่เราจะใช้ในการละตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ ถ้าเราไม่คิดค่ายกวนอยู่เรื่อยๆถึงเรื่องของตัณหาความอยากว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเป็นต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายและพิจารนาว่าการที่เราจะหยุดตัณหาความอยากต่างๆได้หยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้ก็คือการละตัณหาทั้งสามนี้ไป การจะละตันหาทั้งสามนี้ไปได้ก็ต้องมีศีลสมาธีปัญญาคือมรรคที่จะเป็นเครื่องมือทําให้เราสามารถหยุดตันหาทั้งสามนี้ได้นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเจริญปัญญาขั้นที่สองคือคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเราต้อง มาละตันหากันมาละตันหากันด้วยการมาวัดมาปฏิบัติธรรมกันมารักษาศีลมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญากัน mm hmm. พอเรามีความคิดค่ขยควรอย่างนี้ความคิดนี้ก็จะนำพาการดำเนินชีวิตของเราไปสู่ทางของมรรคไปสู่ทางดับความทุกข์ไปสู่ทาง ที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการละตันหาทั้งสามนี่คือจินตาไมยะปัญญาปัญญาระดับที่สองที่เราควรจะเจริญต่อจากการที่เราได้ปัญญาจากการได้ยินได้ฟังแต่ปัญญาขั้นที่สองก็ยังไม่สามารถดับความทุกข์หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ เพียงแต่เป็นปัญญาที่จะดึงให้เราไปสู่การปฏิบัติที่จะทําให้เกิดปัญญาขั้นที่สามขึ้นมาก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาขั้นที่สามนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อจิตมีสมาธิมีความสงบมีอัปปนาสมาธิเนี่ยพอจิตมีอัปปนาสมาธิ แล้วนำเอาปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้สรงสั่งสอนพวกเราที่ปัญญาที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมก็ดีหรือปัญญาที่เกิดจากการไข้ยควรพิจารณาอยู่เนืองๆก็ดีปัญญาทั้งสองชนิดนี้จะกลายเป็นปัญญาปญชนิดที่สามขึ้นมาทันทีคือจะเป็นภาวนามยปัญญาถ้าจิตของเรานี้มีสมาธิ ได้อัปปนาสมาธิแล้วพอออกจากอัปปนาสมาธิมาพอเอาธรรมที่พระพุทธเจ้าได้สงสอนมาพิจารณาหรือฟังธรรมโดยตรงก็ได้ก็สามารถนำธรรมที่ได้ยินได้ฟังหรือได้ไข้ควรพิจารณานี้มาใช้ในการละตันหาได้เลยพอเกิดตันหาขึ้นมาก็สามารถหยุดตันหาได้เลย เช่นในสมัยพุทธกาลเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมผู้ที่ฟังธรรมถ้ามีสมาธินี้ฟังแล้วสามารถบรรลุธรรมได้เลยบรรลุเป็นพระอราหันต์ได้เลยหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เลยหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยเพราะเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมก็ทรงแสดงถึงเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไร และทรงแสดงเหตุที่จะดับความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากการมีศีลมีสมาธิมีปัญญาพอผู้ฟังมีศีลแล้วมีสมาธิแล้วพอได้ฟังปัญญาจากพระพุทธเจ้าก็เอาปัญญานั้นมาหยุดตันหาความอยากที่มีอยู่ในใจได้เลยพอใจเกิดความอยากขึ้นมาก็หยุดมันได้เลย เป็นพอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายใจก็จะเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมาก็ทําให้ใจทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่พอได้ยินได้ฟังว่าถ้าอยากจะดับความทุกข์ที่เกิดจากความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็ให้หยุดความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายถ้าใจมีสมาธิแล้ว ก็จะสามารถหยุดความอยากนี headed, ้ได so so ้ทันทีเลยพอหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็จะหายไปก็คือความกลัวกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายนี่เองที่เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอได้ยินได้ฟังปัญญาจากพระพุทธเจ้าว่า ถ้าอยากจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็อย่าไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าใจมีสมาธิอยู่แล้วออกมาจากอัปปนาสมาธิแล้วก็จะสามารถหยุดความอยากได้ทันทีเลยแต่ถ้าใจยังไม่มีสมาธิได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่สามารถที่จะหยุดความอยากได้ เพราะใจไม่มีกําลังสู้ความอยากได้นั่นเองนี่คือความแตกต่างระหว่างปัญญาที่มีสมาธิกับปัญญาที่ไม่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถ้ามีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนแล้วสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเลยหรือสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่พิจารณาธรรมเลยแต่ถ้าไม่มีสมาธิ ฟังทำไปมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถจะบรรลุดได้จภรนาทำไปมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถจะบรรลุดได้เพราะใจไม่มีกำลังที่จะสู้กับตัญหาความอยากนั้นเองปัญญาเป็นเพียงผู้บอกให้ใจรู้ว่าใครคือศัตรูใครเป็นผู้ที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจใครเป็นผู้พาใจให้ไปเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นเอง แต่ใจนี้จะสู้กับผู้ที่สร้างความทุกข์ให้กับใจได้หรือไม่จะสู้กับผู้ที่นำใจให้ไปเกิดแก่เจ็บตายได้หรือไม่ก็อยู่ที่ใจเองว่ามีกำลังที่จะสู้หรือไม่ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอัปปนาสมาธิจะไม่สามารถสู้กับความอยากได้เวลาความอยากชวนให้ไปเที่ยวก็จะไป ความอยากชวนให้ไปมีแฟนก็จะไปความอยากชวนให้ไปหาเงินหาทองก็จะไปความอยากชวนให้ <IF> ให้ใจไม่แก่ไม่เจบ็บไม่ตายก็จะเกิดก็จะเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจบ็บความตายได้หรือความทุกข์ที่เกิดจากการไปมีแฟนได้ ความทุกข์ที่เกิดจากการไปเที่ยวได้ความทุกข์ที่เกิดจากการไปหาเงินได้เพราะไม่มีกําลังสู้กับตันหาความอยากผู้เป็นตัวฉุดลากใจให้ไปหาความทุกข์ต่างๆแต่ถ้าได้ไปฝึกสมาธิทําใจให้สงบเปน็นอัปปนาสมาธิตอนนั้นใจมีกําลังหยุดความอยากได้แล้ว พอใจที่เข้าสู่ความสงบได้แสดงว่ามีกำลังมากกว่าตันหาความอยากที่จะคอยทําใจให้ไม่สงบนั่นเองใจของพวกเราที่ไม่สงบกันก็เพราะว่าเราไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากไม่มีกำลังที่จะหยุดมันเราจึงต้องมาสร้างสิ่งที่จะหยุดมันให้ได้สิ่งที่จะหยุดมันให้ได้ก็คือสติ เวลานั่งสมาธินี้ ใ, นใจของเราจะสงบจะรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้ต้องมีสติเป็นผู้ดึงใจเข้าไปถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่สามารถที่จะดึงใจให้สงบให้เป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาได้อย่างนั้นหลังจากที่เราได้มาเจริญปัญญากันแล้วด้วยการฟังเทศฟังธรรม เราก็เอาไปไข้ควรพิจารณาอยู่เรื่อ ย, อยควบคู่กับการไปเจริญสติเพื่อไปทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็จะมีกำลังสู้กับความอยากได้ปัญญาที่เราได้เรียนรู้มาได้ยินได้ฟังมาหรือปัญญาที่เราหมั่นพิจารณาอยู่เนือง ก็จะกลายเป็นภาวนามยะปัญญาขึ้นมาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็จะหยุดความอยากได้เลยไม่ว่าจะเป็นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะก็ดีหรือความอยากมีอยากเป็นก็ดีเช่นอยากร่มอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากมีหน้ามีตามีเกียรติอยากให้คนขารลบนับถือยกย่องสรรละเสร เราก็จะสามารถหยุดความอยากเหล่านี้ได้ทันทีหรือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่นำบางยาบจนบอยากไม่เจอกับสิ่งต่างๆที่เราไม่อยากจะเจอรเราสามารถหยุดความอยากเหล่านี้ได้โดยที่เราจะไม่มีความสะทกสะท้านกับความแก่ความเจ็บความตายกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆ กับสิ่งที่เราไม่อยากจะพบอยากจะเจอถ้าเรามีสมาธิแลนะปัญญามาหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรเลยจะไม่ทุกข์กับการเป็นใหญ่เป็นโตอยากกับความอยากเป็นใหญ่เป็นโตกับความอยากริ่มอยากรวยอยากมีหน้ามีตาอยากให้คนยกย่องสรรเสริญเยืนยอ เราจะรู้สึกเฉยๆเราจะไม่มีความอยากเหล่านี้เวลาที่เราไม่รวยเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาที่เราไม่มีใครยกย่องสรรเสริญเยืนย อ, เ, อเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลามีใครเขาจะด่ามาตำหนิติเตียนเราเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดเพราะเราสามารถหยุดภาวะตัณหาได้หยุดวิภาวะตัณหาได้ ถ้าเราไม่สามารถไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเราก็จะไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเราสามารถหยุดกามาตัณหาได้หยุดความอยากที่จะมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆได้นี่เกิดขึ้นเมื่อเรามีสมาธิและมีปัญญาควบคู่กัน มีอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่พอเพียงถ้ามีสมาธิแต่ไม่มีปัญญาก็จะไม่รู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์เกิดจากอะไรก็เลยไม่รู้ว่าจะไปดับอะไรไปหยุดอะไรแทนที่จะหยุดตัณหาก็จะทำตามตัณหาเพราะไม่รู้ว่าตัณหานี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเป็นต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตาย จะรู้ได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรุปความจริงอันนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปไม่มีใครรู้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากทั้งสามประการ น, นี้คือกามาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาก็จะไม่มีใครคิดที่จะหยุดกามาตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหากันเพราะทุกคนคิดว่า การทำตามกา ร, รมตัฐหาภาวะฐาหาวิภาวะฐานหาเป็นการดับความทุกข์ใจกันเวลาอยากเสบรูปเสียงกิ่นรสก็ไปเสบกันพอเสบแล้วก็เกิดความสุขกันขึ้นมาความทุกข์ที่เกิดจากการอยากจะเสบก็หายไปเวลาที่อยากจะเสบรูปเสียงกดลิ่นรสแล้วไม่ได้เสบนี้เป็นยังไงจะตายให้ได้ใช่ไหม เวลาอยากจะไปเที่ยวแล้วไม่ได้เที่ยวนี้เป็นยังไงจะตายให้ได้ทุกไหมทุกแต่ถ้าไปได้ไปเที่ยวแล้วหายทุกไหมหายเพราะเวลาไปเที่ยวมันสนุกมันเพลิดเพลิน ม, ม, มีความสุขกันก็เลยคิดว่าการทำตามความอยากนี่แหละเป็นวิธีดับความทุกเป็นวิธีสร้างความสุขกันนี่คิดดูสิความหลงมันฉลาดขนาดไหน มันสามารถคลิกให้เราเห็นกลับตาลปัดได้ให้เห็นโทษให้กลายเป็นคุณได้เห็นโทษเป็นคุณได้ให้เห็นคุณเป็นโทษได้แต่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่แสนฉลาดที่สามารถเห็นโทษได้ตามความเป็นจริงเห็นว่าการทำตามความอยากนี่แหละเป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการดับความทุกข์ ต้องเห็นว่าการเกิดของความอยากนี่แหละที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราไม่สบายใจกันถ้าเราไม่มีความอยากไปเที่ยวเราอยู่บ้านแเราเฉยๆเราจะเดือดร้อนไหมเราไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีความอยากไปเที่ยวออแต่ถ้าเกิดความอยากไปเที่ยวแล้วอยู่อยู่เป็นสุขไหมอยู่ในบ้านอยู่ได้ไหยจะตายให้ได้ <Yeah. S 1> ทอทรมานนึกเกินอยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรให้ทําไม่ได้ออกไปเที่ยวข้างนอก ก็เลยคิดว่าถ้าได้ไปเที่ยวแล้วก็จะมีความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะหายไปก็เลยไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันแล้วก็มีความสุขกันแต่พอกลับมาอยู่บ้านก็อยู่ไม่ได้อีกแล้วเพราะเกิดความอยากไปเที่ยวใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็ต้องออกไปเที่ยวกันอยู่เรื่อยๆบ้านจึงไม่ค่อยได้อยู่กัน จะอยู่ก็เฉพาะเวลากลับมาอาบน้ำอาบท่าแล้วก็หลับนอนกันเท่านั้นน้องนั้นแล้วไม่ค่อยอยู่บ้านกันเพราะความอยากมันไม่ยอมอยู่มันไม่อยากอยู่บ้านมันอยากไปเที่ยวกันนั่นเองนี่คือปัญญาที่ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นต้นเหตุของความสุขของพวกเรานี้ความจริงมันต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถเห็นได้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ไม่ใช่เป็นต้นเหตุของความสุขและการที่จะดับตันหาความอยากได้ก็คือต้องหยุดกวามไม่ทําตามความอยากเท่านั้นพอเราไม่ทําตามความอยาก ต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังไปพอหมดแล้วมันก็จะไม่มาสร้างความไม่สบายใจให้กับเราอยู่บ้านเฉยๆก็จะไม่รู้สึกหนุดจิตลาคาญใจจะไม่รู้สึกจะตายให้ได้ถ้าไม่ได้ออกไปข้างนอกเพราะจะไม่มีความอยากออกไปข้างนอกแล้วนั่นเองนี่อยู่บ้านเฉยๆได้อย่างสบาย นี่คือปัญญาที่พวกเราต้องมีกันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่ได้พบกับปัญญาอันนี้เราจะไม่ได้พบกับความรู้อันนี้ว่าความทุกข์ของพวกเรานั้นเกิดจากกัรหาความอยากต่างๆการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เกิดจากตัณหาทั้งสามนี้และการที่จะทำให้เรา ละตันหาทั้งสามนี้ได้ก็ต้องเกิดจากการเจริญศีนสมาธิปัญญาเพราะถ้าเราไม่เจริญศีนสมาธิปัญญาเราก็จะไม่มีกําลังไม่มีความรู้ที่จะสามารถนําไปอยู่หยุดความอยากต่างๆได้นั่นเองออตอนนี้เรามีความรู้แล้วเรามีปัญญาแล้วแต่เราไม่มีสมาธิกัน เราไม่มีศีลกันศีล น, นี้ต้องเป็นศีลระดับของนักบวชกันเช่นศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่บเจ็ดกันสมาธิก็ต้องเป็นอัปปนาสมาธิเราถึงจะสามารถนำเอาสุตะมัยปัญญาหรือจิตตามัยปัญญานี้มาใช้ร่วมกับใจที่มีสมาธิไปดับตันหาความอยากต่างๆได้ นี่คือปัญญาทางพระพุทธศาสนามีสามขั้นตอนและมีสามระดับเริ่มที่ระดับแรกเพราะถ้าเราไม่มีระดับแรกเราก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์อะไรเป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดอะไรเป็นเครื่องมือที่จะมาหยุดต้นเหตุของความทุกข์ หยุดต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายได้แต่พอเราได้ยินได้ฟังทำแล้วเราก็จะรู้เมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องไปปฏิบัติเราต้องไปหยุดความอยากกันให้ได้ถ้าเรายังหยุดความอยากไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีเครื่องมือหรือใจเรายังไม่มีกำลังที่จะสู้กับความอยาก เราก็ต้องไปสร้างเครื่องมือไปสร้างพลังให้กับใจพลังของใจก็คือสมาธิการทาใจให้สงบการจะทำใจให้สงบก็ต้องมีศีลศีลมาสนับสนุนเพราะถ้าไม่มีศีลก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัตินั่นเองเพราะถ้าเราไม่มีศีลแปดศีลสิบศีลสองอยี่สบเจ็ดเราก็จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ ไปเที่ยวได้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้ไปกินเลี้ยงอาหารคําได้ไปงานเลี้ยงต่างๆได้ไปดูมอหรสศพบันเทิงต่างๆได้เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติเพื่อหยุดความคิดเพื่อที่จะทำให้ใจเข้าสู่สมาธิได้ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบ ถ้าเราไม่สามารถทำใจให้สงบได้เราก็จะไม่สามารถสร้างภาวนามยัปัญญาขึ้นมาได้เพราะภาวนามยัปัญญานี้ต้องมีสมาธิควบคู่ไปกับสุตะมยัปัญญาหรือจินตามยัปัญญาถ้าเรามีภาวนามยัปัญญาแล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็จะหยุดมันได้ทันที อยากเที่ยวก็หยุดได้อยากมีแฟนก็หยุดได้อยากกินอาหารเย็นก็หยุดได้อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็หยุดได้หยุดได้ทุกทกอย่างความอยากทุกชนิดนี้ถ้ามีามีภาวนาเมาย์ปัญญาแล้วสามารถหยุดได้หมดตอนนี้หยุดไม่ได้ก็เพราะว่าเรามีไม่ครบอาจจะมีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิ หรือบางทีมีสมาธิแต่ไม่มีปัญญาลืมไปปัญญานี้ถ้าเราไม่เอามาทบทวนม า, ามาพิจารณาค่อยควรอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ลืมได้เพราะเกิดความอยากขึ้นมาแทนที่จะหยุดมันกลับไปทําตามความอยากเช่นบางคนนั่งสมาธิพอออกมารู้สึกหิวน้ําอยากกาแฟขึ้นมาก็ไปดื่มกาแฟโดยที่ไม่รู้ว่านี่กําลัง ทำตามความอยากไม่ได้เป็นการหยุดความอยากกันถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าสิถ้าดื่มน้ำเปล่านี้ไม่เป็นความอยากเพราะน้ำเปล่านี้เป็นสิ่งที่มาดับความกระหายของร่างกายร่างกายต้องการน้ำก็ให้น้ำสิจะอย่าไปให้กลิ่นและสีรสของกาแฟแต่พอหิวน้ำแทนที่จะดื่มน้ำกลับไปดื่มกาแฟ อันนี้ก็แสดงว่ายังทําตามความอยากอยู่เพราะว่าลืมไปลืมไปว่าการทําตามความอยากนี้จะนำไปสู่ความทุกข์จะนำไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายเพราะเวลาเกิดความอยากดื่มกาแฟแล้วเกิดไม่ได้ดื่มกาแฟขึ้นมาก็จะทุกใจจะงดหงดหิจใจขึ้นมา แต่ถ้าเกิดความอยากดื่มกาแฟแล้วไม่ดื่มทำใจให้สงบทาใจให้นิ่งเฉยๆไว้ด้วยสติด้วยปัญญาเดี๋ยวต่อไปความอยากนั้นก็จะหายไปแล้วความอยากก็จะไม่กลับมารบกวนใจอีกต่อไปความอยากดื่มกาแฟจะไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจอีกต่อไปนี่คือวิธีของการใช้ภาวนามาย์ปัญญา ต้องไปสร้างสมาธิให้กับใจก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เอาปัญญาที่ได้ยินได้ฟังมาค่ายควรพิจารณาอยู่เรื่อยๆตเตือนตนเองอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปทำตามความอยากต่างๆพอเกิดความอยากขึ้นมาปั๊บก็หยุดมันเลยพอคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยพอคิดถึงโรคมะเร็งขึ้นมานี่ ถ้าเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็แสดงว่ามีความอยากไม่เป็นอยากไม่พบกับโรคมะเร็งแต่ถ้ามีปัญญามีสมาธิมีภาวนามัจยาปัญญาก็จะหยุดมันเลยทุกไปทำไมทุกไปกับโรคมะเร็งทำไมทุกไปแล้วทำให้มะเร็งมันหายไปหรือเปล่ามันก็ไม่หาย ร่างกายนี้มันเกิดมาแล้วมันจะหนีพ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยได้อย่างไรมันจะหนีพ้นจากโรคมะเร็งไปได้อย่างไรเพราะมันเป็นเหมือนกับเป็นจุดนัดพบกันร่างกายนี้มันได้นัดจะพบกับโรคชนิดต่างๆอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมันเพียงแต่รอเวลาที่จะมาพบกันเท่านั้นเองร่างกายนี้เกิดมาแล้วมันก็นัดพบกับคนสามคนนัดพบกับคนแก่ นัดพบกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็นัดพบกับคนตายที่จะต้องพบกันแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิเราจะตกใจเราจะกลัวเวลาที่เราคิดว่าเราจะต้องเจอคนแก่เจอคนเจ็บไข้ได้ป่วยเจอโรคมะเร็งเจอคนตายกันแต่ถ้าเรามีปัญญาเราคิดอยู่เรื่อยๆว่า ร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายแต่ไม่ได้ <ksam> ถ้าต้องเจอ <g> <ๆ>ก็ต้องเจอไม่ต้องไปกลัวมันวิธีไม่กลัวก็คืออย่าไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอย่าไปอยากไม่เจอความแก่ไม่ไม่เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เจอความตาย เพราะเราห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้แต่เราห้ามความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เราห้ามความทุกข์ที่เกิดจากการไปเจอความแก่ความเจ็บความตายได้แต่ถ้าเราห้ามไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีภาวนามายะปัญญาเออไม่มีสมาธิลืมลืมไปว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันเอนี่คือ สิ่งที่เราจะต้องมีให้ได้คือปัญญาต้องคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาแล้วเราก็ต้องมาหัดทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิให้ได้เพราะถ้าเราทาใจให้เป็นสมาธิได้เราเวลาเกิดความอยากเราก็หยุดมันได้ทำใจให้สงบได้ทำใจให้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้ คือเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเราคือการเข้าไปสู่ระดับาภาวนามาย์ปัญญาแต่การจะเข้าสู่าภาวนามาย์ปัญญาได้นี้ต้องสร้างขึ้นมาจากสุตตะมย์ปัญญาต้องฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วก็นำเมาไปพิจารณาช่วงที่ไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมก็ต้องคอยพิจารณาคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆช่วงนี้ก็เรียกว่าจินตามาย์ปัญญา ว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้าอยากไม่ทุกข์ใจก็ต้องไม่อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้ายังหยุดความอยากไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีสมาธิยังไม่มีกำลังก็ต้องไปฝึกสมาธิให้ได้พยายามเจริญพุทโธพุทโธเจริญสติ เพื่อให้หยุดความคิดต่างๆเพราะความคิดนี้ทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมานั่นเองพอเราไปทำสมาธิทำใจให้สงบได้ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะหยุดไปหมดกาลังแต่พอออกจากสมาธิมาเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้สติคอยสอนใจว่าอยากไอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย อยู่เฉยๆร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็เรื่องของร่างกายเราห้ามมันไม่ได้แต่ใจของเรานี้เราห้ามมันไม่ให้อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เ อ, อพอเราหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ด้วยด้วยสมาธิด้วยปัญญา เ, ออเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไป เราก็จะได้บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งได้ได้ขั้นพระโสดาบันนี่คือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆบรรลุได้ด้วยการละความอยากต่างๆนี้เองทำขั้นที่สองก็มีความอยากในการารมณ์ทำขั้นที่สี่ ข, ขั้นพระนั้นก็มีความอยากในความสุขความสบายของใจของจิตของใจ ต้องหยุดหมดหยุดความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดไปจะหยุดได้ก็ต้องมีมีสมาธิมีปัญญาทำงานร่วมกันเป็นคู่กันเป็นเหมือนสามีภรรยากันต้องทำงานร่วมกันถึงจะผลิตลูกออกมาได้การที่จะมีลูกก็ต้องมีสามีแลบมีภรรยาถึงจะมีลูกได้การที่จะมีภาวนามายาปัญญา ที่จะมากําจัดตัณหาทั้งสามได้ก็ต้องมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาเหมือนกับการมีลูกการจะมีลูกได้ก็ต้องมีทั้งสามีทั้งภรรยาถึงจะสามารถมีลูกขึ้นมาได้ถ้ามีสามีคนเดียวหรือมีภรรยาคนเดียวไม่สามารถที่จะมีลูกได้ ท่านใดถ้ามีสมาธิอย่างเดียวก็ไม่สามารถมีปัญญาได้ถ้ามีปัญญาอย่างเดียวไม่มีสมาธิก็ยังไม่สามารถเอาปัญญาที่ไม่มีสมาธิ น, นี้ไปดับความทุกข์ไปละตัณหาได้อย่างพวกเราตอนนี้มีปัญญาอย่างเดียวเราฟังเทศฟังธรรมกันมาอยู่เรื่อยเื่อเรารู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากความอยาก ทั้งสามที่มีอยู่ในใจของเรานี้แต่เวลาเกิดความอยากทั้งสามนี้ขึ้นมาเราหยุดมันไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสมาธิกันเราไม่ได้ฝึกสติกันไม่ได้เจริญสติไม่ได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้เป็นอัปปนาสมาธิกันเราก็เลยไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้ก็เป็นเหมือนกับเป็นสามีหรือเป็นภรรยา อยากจะมีลูกก็มีไม่ได้ต้องมีทั้งสามีน่ามีทั้งภรรยาถึงจะร่วมกันสร้างลูกขึ้นมาได้การที่เราจะดับความทุกข์ใจต่างๆด้วยการละตัณหาความอยากต่างๆการที่เราจะตัดการเกิดแก่เจ็บตายให้หมดไปจากจ่ายได้ก็ต้องเกิดจากการมีทั้งสมาธิและปัญญานั่นเองต้องมีภาวนามายะปัญญา ถึงจะสามารถดับความทุกข์ต่างๆดับการเกิดแก่เจ็บตายได้เพราะจะสามารถหยุดตัณหาทั้งสามได้คือกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหานี่นี่คือเรื่องของการมาเรียนรู้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาดูแล้วเราก็ต้องไปปฏิบัติทําให้ความรู้นี้มันสมบูรณ์ ความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังนี้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นการจุดประกายลด้วยการจุดชนวนให้มันเริ่มเดินเดินปัญญาให้มันเริ่มเดินขึ้นมาให้มันเริ่มจเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาพอฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็เอาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังนี้มาทบทวนอยู่เรื่อยๆมาสอนตนเองอยู่เรื่อยเตือนใจอยู่เรื่อยว่า ค ว, S, <S ความทุกข์ของเราความทุกข์ใจของเราเกิดจากกามตัณหาภ า, า ว, วะตัณหาวิภาวะตัณหาการเกิดแก่เจ็บตายของพวเราเกิดจากการเกิดจากกาม้ตัณหาภ า, า ว, วะตัณหาวิภาวะตัณหาการจะ lifting, cooking, หยุดความทุกข์ใจหยุดการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องมาจเจริญศีลสมาธิปัญญากันเออถ้ายัางไม่มีศีลก็หันรักษาศีลกันไปรักษาศีลห้าก่อนถ้ายังรักษาศีลห้าไม่ได้ พอรักษาศิห้าได้ก็รักษาศิลแปดไปพอรักษาศิลแปดได้แล้วก็จะมีเวลามาเจริญสติมาเดินจงกรมนั่งสมาธิทาใจให้สงบได้พอใจสงบแล้วเราก็เอาปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้ค่าควรนี้มาหยุดตั้นหาความอยากเวลาเกิดความอยากก็สามารถที่จะ หยุดมันได้ไม่ต้องทำตามความอยากได้พอเราไม่ต้องทำตามความอยากแล้วความอยากต่างๆก็จะหมดไปจากใจใจก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจอีกต่อไปใจก็จะไม่มีอะไรมาฉุดลากให้ใจไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตาย โดยการอสร้างเครื่องมือคือศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเออสมาธิและปัญญาก็คือภาวนามาย้ปัญญานี้เองอถ้าไม่มีสมาธิปัญญาก็จะเป็นเพ่งจินตาเมาย้ปัญญาหรือเป็นสุดะมย้ปัญญาเท่านั้นแตถ้ามีสมาธิปัญญา ที่ได้จากกา ร, การฟังเทศฟังธรรมหรือปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาค่าควรก็จะกลายเป็นภาวนามายะปัญญาขึ้นมาหยุดความอยากดับความทุกข์ต่างๆดับการเกิดแก่เจ็บตายได้ดังนั้นเราต้องพยายามฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมแล้วหลังจากที่ระหว่างช่วงที่เราไม่ได้ฟังธรรมล้วก็ต้องคอย เดินใจสอนไตสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปทาตามความอยากให้เรามาสร้างศีล ส, สมาธิปัญญากันพยายามอย่าไปทาบาปกันพยายามอย่าไปทากิจกรรมที่ศีลห้ามไม่ให้ทํากันแล้วก็พยายามมาเจริญสติมานั่งสมาธิทําใจให้สงบกันพอใจสงบได้แล้วทีนี้ออกมาก็จะมีกำลังสู้กับความอยาก มีกำลังที่จะเอาปัญญาที่ได้ได้มาจากการได้ยินได้ฟังได้จากการคิดค่ายควรนี้มาหยุดตันหาความอยากได้พอหยุดตันหาความอยากได้ก็จะหยุดความทุกข์ได้หยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้พวกเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย แต่เราไม่ได้หายไปไหนการไม่ได้มาเกิดนี่ไม่ได้หมายความว่าเราสูญหายไปไหนเราก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าอยู่แบบสบายดูอยู่แบบไม่ต้องมาแบกร่างกายไม่ต้องมาแบกความแก่ความเจ็บความตายกันเท่านั้นเองดีตรงนี้ตามกันตรงนี้เท่านั้นแต่ใจของเรากับใจของพุทธเจ้าก็ยังอยู่เหมือนกัน แต่ใจของพุทธเจ้าอยู่อย่างสบายไม่ต้องมาแบกความแก่ความเจ็บความตายแต่พวกเรานี้ยังต้องมาแบกความแก่ความเจ็บความตายอยู่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาแบกต่อแบกไปเรื่อยๆต่างกันแค่ตรงนี้เท่านั้นเองใจของพวกเรากับใจพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหนอยู่มีอยู่เหมือนเดิม ถ้าสมมุติว่าตอนนี้เราหยุดความอยากได้เราไม่กลับมาเกิดได้เราก็อยู่เหมือนยุดที่เราอยู่ตอนนี้เป็นแต่เราอยู่โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายมาแบกทนเองอย่างไหนจะดีกว่านั่งแบกของกับไม่แบกของอันนี้อันอย่างไหนจะสบายกว่าการเดินไมไหนตัวเปล่ า, า, ากับการที่เดินแล้วแบกของไปนี่อันไหนจะสบายกว่ากันเดินแบกของไปมันก็หนักมันก็เหนื่อย เดินไปตัวเปล่าๆนี่มันก็เบามันก็สบายนั่นแหละคือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกท่านไปไหนมาไหนโดยที่ไม่มีร่างกายต้องมาแบกแต่พวกเรานี่ไปไหนมาไหนต้องแบกร่างกายไปกันแบกความแก่แบกความเจ็บแบกความตายไปกันเท่านั้นเองแบกกองทุกไปพูดง่ายๆส่วนพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกนี้ท่านไม่ต้องแบกอะไรไปน อย่าไปคิดว่าการพ้นทุกข์การไม่กลับมาเกิดนี้เป็นการอันตรทานหายไปไม่ได้หายไปไหนยังอยู่เหมือนเดิมยังมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนเดิมมีอะไรเหมือนเดิมกับตอนที่เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บ ม, ม, ม, มาตายแต่ต่างกันตรงที่ว่าเราไม่ต้องมาแบกความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้เท่านั้นเองดังนั้นอย่าไปกลัวการที่เรายุติการเกิดแก่เจ็บตายได้ว่าจะทําให้เราไม่มีความสุข อันนี้เป็นความคิดผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิพราเราไม่เคยเห็นเวลาที่เราไม่มีร่างกายว่ามันสบายอย่างไรนั่นเองแต่ลองทำสมาธิดูเวลาทำสมาธิจิตสงบเวลานั้นเราก็ปล่อยวางร่างกายไว้ชั่วคราวเราจะรู้สึกว่าสุขสบายกว่าตอนที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิพอจากสมาธิมาก็เหมือนกลับมาแบกร่างกายใหม่ใจก็หนักหกนักใจปกับเรื่องของร่างกายทันที แต่พอใจเข้าไปในสมาธิปั๊บก็เหมือนปล่อยร่างกายที่แบกไว้วางร่างกายไว้ใจก็เบาสบายสงบแต่สมาธินี้เพียงแต่วางปล่อยวางร่างกายได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ถ้าเป็นนิพานนี้ปล่อยวางได้ตลอดเวลานี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามาเจริญปัญญาทั้งสามระดับนี้ คือสุดตรมย์ปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมจากการศึกษาอาหนังสือธรรมะต่างๆแล้วปัญญาที่เกิดจากการค่ควรพิจพิจารณาความรู้ที่เราได้รับจากการศึกษาเพื่อกันไม่ให้เราลืมแล้วปัญญาที่เกิดจากการมีสมาธิ มาเป็นเครื่องมือสนับสนุนเพราะถ้ามีสมาธิแล้ปัญญาที่เราได้จากการฟังจากการค่้ยควรก็จะกลายเป็นภาวนามายะปัญญาที่เราสามารถที่จะนําไปสู่การยุติการเริดแก่เจ็บตายยุติความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจได้หมดเลยเพราะเราสามารถยุติต้นเหตุของความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายได้ก็คือยุติ การหาทั้งสารได้ด้วยการด้วยการภาวนามยับปัญญานี้เองก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความพ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนา ลำดับต่อไปก็เป็นช่องถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอยากจะถามก็ถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบใครจะถามก็ขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ถ้ายังไม่มีก็จะให้พิธีกรนำเอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อนคำถามจากทางบ้านจากอินบ็อกซ์จากคุณจำปี ช่วงที่แม่เสียชีวิตลูกไม่ได้กลับไปงานศพแม่เพราะมีเหตุจำเป็นที่กลับไม่ได้จะถือว่าลูกบาปหรือเป็นลูกกตันยูไหมคะมันก็ขึ้นอยู่ของคว่าการไปงานศพนี้เป็นการแสดงความกตันยูหรือไม่ถ้าเขาถือว่าการไปงานศพเป็นการแสดงความกตันยูถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าไม่กตันยู แต่ถ้าเขาไม่ถือว่าการไปงานศพหรือไม่ไปนี่เป็นการกระตันยูหรือไม่กระตันยูมันก็ไม่เป็นเพราะการความความกระตันยูนี้มันสามารถแสดงออกได้หลายทางด้วยกันไม่ใช่จชะเฉพาะตอนที่ไปงานศพเท่านั้นถ้าเราดูแลพ่อแม่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้ไปงานศพจะดีกว่าคนที่ไม่ดูแลพ่อแม่เลยแล้วไปเพียงงานศพ อย่างไหนจะดีกว่ากันอย่างไหนจะกระตันอยู่กว่ากันเพะงั้นความกตันอยู่ที่แท้จริงนี้ควรจะแสดงในขณะที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่จะดีกว่าเพราะพ่อแม่จะได้รับประโยชน์จากความกตันอยู่ของเราเช่นคอยเลี้ยงดูพ่อแม่ให้อยู่สุขอย่างสบายะส่วนเวลาพ่อแม่ตายไปแล้วเราจะไปงานศพหรือไม่ไปงานศพมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมาก พ่อแม่ก็ไม่ไม่พ่อแม่ก็ไม่ฟื้นอยู่ดีจากการไปหรือไม่ไปของเราเอพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าว่าเราไปหรือไม่ไปพ่อแม่เขาก็ไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์กับการไปหรือไม่ไปของเราเออย่างนั้นถ้าถามว่าการไปงานศพนี่เป็นการไม่กตัญญูหรือกตัญญูหรือไม่นี้เราก็ว่ามันมันไม่ได้เป็นนะความกตัญญูอยู่ที่ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่มากกว่า วิธีแสดงความกตัญญูท่านก็สอนไว้ว่าถ้าเรายังอยู่ภายใต้การ อ, าอยู่การดูแลของท่านเราก็ต้องเชื่อฟังท่านเชื่อฟังคำสั่งคำสอนให้ความเคารพรักท่านาเทิดทูนท่านให้ท่านอยู่เหนือเสียงก้าของเร า, าแล้วก็ประพฤติตามคำสอนของท่านาแล้วถ้าเรา มีกำลังที่จะเลี้ยงดูท่านได้แล้วท่านก็ไม่มีกำลังดูแลตัวท่านเองได้เราก็ต้องเลี้ยงดูท่านดูแลท่านไปแล้วถ้าหลังจากที่ท่านตายไปแล้วเราก็ทำบุญอุทิศไปให้กับท่านอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิธีการแสดงความกระตันอยู่ต่อผู้บังเกิดกล้าวไม่ได้เขียนบอกไว้ว่าต้องไปงานศพเท่านั้นถึงจะกระตันอยู่ถ้าไม่ไปก็ไม่กระตันอยู่ เราไม่ไปงานศพเราก็สามารถทำบุญที่ที่อื่นก็ได้แล้วก็อุทิศบุญไปให้ได้เหมือนกันที่เขาให้ไปงานศพส่วนหนึ่งก็เพราะว่าจะได้ไปทำบุญอุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วนั่นเองแต่ถ้าเราไม่สามารถไปที่งานได้เราก็ทำบุญที่ที่เราอยู่ได้เดีย๋ยวนี้กดมือถือกดหมายเลขนั้นแล้วก็ส่งปับ๊บมันก็ได้บุญแล้วก็อุทิศได้เลย นี่คือความกตันอยู่แบบต่างๆรูปแบบต่างๆไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบของการไปงานศพเป็นอย่างเดียวคำถามจากคุณจิตประภัสสอนโสดาปฏิมา ก, กับโสดาปฏิผลต่างกันอย่างไรคะก็เหมือนกับการเรียนปริญญาตรีกับการรับปริญญาตรีก่อนที่จะรับปริญญาตรีได้ก็ต้องเรียนปริญญาตรีก่อนการที่จะได้โซบะโสดาปฏิมา โสดาปฏิผลก็ต้องเจริญโสดาปฏิมร ก, ก่อนมรกก็คือการเรียนรู้วิธีที่จะทําให้ได้รับโสดาปฏิผลนั่นเองได้รับปริญญาของโสดาบันต้องเรียนวิชาะละส ก, กายทิฏฐิละวิจิกิจฉาและศีลพัตปารมาเนี่ยถ้าเรียนเราสามารถละ สั่งโยน์ทั้งสามข้อนี้ได้ก็เรียกว่าได้โซดาปฏิผลขณะที่เรียนและขณะที่ละก็เรียกว่าโซดาปฏิมากพอละได้สําเร็จก็เป็นโซดาปฏิผลขึ้นมาคำถามจากคุณลลงศักด์สามสี่วันก่อนได้กราบเรียนถามปัญหาอาจารย์เรื่องธทมสมาธิจิตนิ่งเจอภาพเจอความคิด ก็ดึงกลับมานิ่งพระอาจารย์แนะนำว่าออกจากสมาธิมาเวลาเจอปัญหาอารมณ์โกรธก็ให้พุโทโธก็เลยทำตามตอนนี้เดินจงกรมทำสมาธิบ่อยขึ้นและเวลาทำงานดำเนินชีวิตพอโกรธหงุดหงิดก็รีบคิดพุดโทโธอาการทางอารมณ์ลดลงไม่แสดงอาการออกมาเวลาทำสมาธิก็เห็นความเจ็บปวด มันไม่ใช่ตัวเราจริงๆตัวเราก็คือตัวผู้รู้อยากขอบคุณพระอาจารย์มากครับและผมควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อตรงไหนควรเน้นเป็นพิเศษครับก็ควรพยายามทำให้สามารถเวลานั่งสมาธิเข้าสู่อัปปนาสมาธิให้ได้คือให้จิตสงบว่างปราศจากความคิดตรงแต่งต่างๆ วางปราศจากอารมณ์ต่างๆเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ปราศจากความรักชังกลัวหลงมีแต่ความสุขแล้วทำให้บ่อยๆทำให้มากๆทำให้ชำนาญหลังจากนั้นเวลาออกจากสมที่มาก็ให้เจริญปัญญาได้ให้พิจารณาว่าความทุกข์ต่างๆนั้นเกิดจากความอยากของเราเองถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่ทำตามความอยาก การจะไม่ทาตามความอยากได้ก็ต้องเห็นายรักเห็นใจรักในสิ่งที่เราอยากอยากได้อะไรมาได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากเราไปเวลาได้มาก็สุขพอเวลาเขาจากไปก็จะทุกข์เช่นอยากจะได้แฟนเวลาได้แฟนมาก็สุขแต่แฟนเราไม่เที่ยงเดี๋ยวเขาก็จากเราไปพอเขาจากเราไปเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นใจรักในสิ่งที่เราอยากได้เราก็จะได้หยุดความอยากได้ คำถามจากสามเณรพิธิวัดข้อที่หนึ่งการถือศีลให้บริสุทธิ์มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เจริญสติภาวนาพัฒนาได้อย่างไรและต้องถือศีลอย่างน้อยเท่าไหร่ผู้ที่ถือศีลห้ากับศีลสิบจะมีผลต่างกันหรือไม่ในการเจริญสติภาวนาครับ การถือศีลห้า ม, มันจะห้ามน้อยไปมันห้ามมันยังไม่ได้ห้ามไม่ให้ไปเที่ยวไม่ให้ไปฟังเพลงไปดูหนังไปกินข้าวเย็นไปร่วมหลับนอนกันมันก็เลยทำให้จะไม่มีเวลามาจเจริญสติมานั่งสมาธิกันแต่พอถือศีลแปนี่มันก็จะห้ามหมดห้ามไม่ให้ไปเที่ยวไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกันไม่ให้ไป อดูหนังฟังเพลงไม่ให้ไปแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ให้ไปกินเลี้ยงกินอาหารเย็นกันก็จะมีเวลามาเจริญสติมานั่งสมาธิกันเหตุาการณ์ที่จะปฏิบัติภาวนา t ี i ต้องรักษาอย่างน้อยศีลแปดขึ้นไปศีลแปดก็ได้ศีลสิบก็ได้ศีลสองรอยิบเจ็ดก็ได้มีอมีอนุภาพพอๆกันข้อที่สอง อยากจะจัดการกับความขี้เกียจสา ม, มเณรอยากมีความเพียรมากกว่านี้เพื่อที่จะปฏิบตัติควรทําอย่างไรครับก็ควรที่จะกําหนดเวลาการการะทำอะไรต่างๆทําเป็นตารางไปเลยเวลานี้ต้องเดินจงกรมเวลานี้ต้องนั่งสมาธิเวลานี้ต้องทํางานเวลานี้ทําอะไรตามทําตามตารางไปถ้าไม่มีตารางมากํากับเดี๋ยวก็ขี้เกียจ เดี๋ยวก็เปิดเล่นเกมกันดูทีวีดูหนังกันออต้องเขียนตารางเหมือนเราไปโรงเรียนโรงเรียนก็มีตารางเรียนไหอใครที่เกลีเรียนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมถึงเวลาก็ต้องเข้าห้องเรียนกราบช่วงนี้เรียนวิชานี้ช่วงนั้นเรียนวิชานั้นเอก็ต้องไปตามที่เขาเขียนไว้ตามตาราง เราก็ต้องเขียนตารางไว้เติรนขึ้นมาปั๊บล้างหน้าแปรงฟันเสร็จนั่งสมาธิเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์ออกบิณฑบาตฉันล้างบาตเช่นบาตกลับมาเดินจงกรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะอะไรปัดกวาดลานวัดทําอะไรเนี่ยมันต้องไปมีตารางถ้าไปอยู่วัดปฏิบัติเขาจะมีตารางเวลาให้ให้มีการปฏิบัติการตลอดเวลามันก็จะทําให้ไม่ขี้เกียจ ถ้าขี้เกียติก็อยู่ไม่ได้เขาก็ไม่ให้อยู่คําถามจากคุณเบบี้ยายาการภาวนาโดยบริกรรมพุโทโธกับบริกรรมยุบหน่อพรองหนอมีผลแตกต่างกันอย่างไรคะเหมือนกันน่ยมันก็ทําไปสู่ความสงบหยุดความคิดตรุงแต่งได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าทําจริงหรือไม่ทําจริงทําแล้วก็ไปคิดนู่นคิดนี่มันก็จะเรียกว่าทาไม่จริง ถ้าทําจริงต้องอยู่กับยุบหนอพองหนออย่างเดียวแล้วอยู่กับพุทโธอย่างเดียวมันก็จะนําไปสู่ความสงบได้เหมือนกันอ่าทางวันนี้ทางบ้านเข้ามาเท่าไหร่ครับอ่าตอนนี้มีอยู่ตอนนี้เฟซบุ๊กร้อยแปดสิบแปดคนครับแต่ตอนที่พระอาจารย์เทศสามร้อยคนนะครับ อ, อแล้วก็ทาง youtube ตอนที่พระอาจารย์เทศอยู่ที่ประมาณ อยู่ที่45ครับตอนนี้อยู่ที่33คนครับวันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะไปธุระปาปังที่อื่นได้เลยไม่ได้ติดตามวันธรรมดารู้จะรู้สึกว่ามีคนติดตามกันมากกว่าอามีคําถามเข้ามาไมัมมีครับจากเฟซจากเฟซบุ๊กครับคำถามแรกจากคุณรักเรศครับขออนุญาตเรียนถามพ่อแม่ครูอาจารย์พระภิกษุกับฤาษีผิดหมายผิดไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่า เขาไม่ทำกันเท่านั้นเองเพราะว่าเขาถือว่าสีนี้ยังไม่มีศีนมีศีนน้อยกว่าพระพระมีศีนสองรอยิบเจ็ดคนที่มีศีนน้อยกว่าต้องถือว่าเป็นผู้ต่ำกว่าต้องให้ความเคารพต่อผู้มีศีนที่มากกว่าคนถือศีนห้าต้องเคารพคนถือศีนแปดอย่างนี้ไม่ใช่คนถือศีนแปดมาเคาระคนถือศีลห้า คนจบปริญญาเอกจะมาเคารบคนจบปริญญาตรีมันก็ไม่ใช่นี่คือเขาเรียกว่าธรรมเนียมการปฏิบัติเราแบ่งความสูงต่ำด้วยวุฒิต่างๆวุฒิความรู้วุฒิการปฏิบัติก็คือศีลวุฒิทางปัญญาก็คือความรู้วุฒิทางเงินทองก็อยู่ที่ว่าคนจนก็กล่าวคนรวยใช่ไหม <c oughs> ก็แล้วแใครมีอะไรมากกว่าคนนั้นก็ถือว่าใหญ่กว่าสูงกว่ า, างั้นก็ถือว่าฤาษีนี่ยังไม่มีศีลเท่ากับพระพระมักจะไม่กาบใครนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพระด้วยกันที่มีอาวุโสกว่าคือบวชมานานกว่าเอถ้าเป็นพระด้วยกันก็กาบพระที่บวชนานกว่ า, าเอสามเณรก็ต้ังกาบพระเพราะสมามเณรมีแค่ศีลสิบพระมีศีลสองร้อยี่บเจ็ด อันนี้เป็นนะอันนี้เป็นการเป็นธรรมเนียมเท่านั้นบางทีพระมากราบเนนก็มีเพราะว่าพระมามีความรู้น้อยกว่าเนนแล้วมาขอความรู้จากเนนให้เนนเป็นอาจารย์อย่างนี้พระก็ต้องมากราบเนนเพราะกาบอาจารย์ไม่ได้กาบไม่ได้กาบเนนเป็นลูกศิษย์กาบอาจารย์งั้นถ้าพระไปกราบฤศีเพราะเคารพนับถือฤศีว่าเป็นอาจารย์ก็กราบได้ เพียงแต่ว่าในสายตาของคนทั่วไปมองแล้วอาจจ ะ, ะไม่เหมาะไม่ควรเพราะว่าในสายตาของคนทั่วไปก็จะมองว่าพระนี่สูงกว่าผู้ที่ไม่มีศีลอย่างคารวะอย่างนี้นถึงแม่พ่อแม่เนี่ยพระ อ, อยากจะกราบพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ยอมให้กราบเพราะว่าพ่อแม่มีศีน้อยกว่าพระเวลามาบวชพระนี่มันเน็นพ่อแม่อยากจะกราบพ่อแม่เหมือนเคยกราบก็กราบไม่ได้ แต่ถ้าอยากจะไปกราบก็ไปกราบที่รับกันก็แล้วกันที่ไม่มีใครเขาเห็นก็แล้วกันเช่นไปอยู่กันสองต่อสองแล้วอยากจะกราบพ่อกราบแม่ ก, ก็กราบไปเหมือนก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไปกราบต่อหน้าสาธารณชนมันก็จะทําให้คนเขามีความไขว้เขวมีความสงสัยว่าทําไมถึงทําอย่างนี้โดยปกติแล้วฆราวาสจะกราบพระพระไม่กราบฆราวาสเท่านั้นเอง อย่ในกรณีพิเศษอยากจะกราบก็ไปกราบคนสองต่อสองถ้าอยากจะไปกราบดูศีก็ไปกราบสองต่อสองอย่าไปกราบต่อหน้าสาธารนณะชนเพราะจะทําให้เกิดความระส่ำระสายความรู้สึกที่ตังเลที่สงสัยว่าทําอะไรกันแน่เอแล้วก็อาจจะคิดว่าพระไม่มีศีนแล้วไงถึงต้องไปกราบดูาศาีนพาะสารทแล้วอย่างในสมัยพุทธกาลที่ที่ว่า ดาบทะฮะดาบทกับพระนี่ถือสินเท่ากันไหมฮะก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระเนี่ยมีพระก็ช่วงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านนั่นเองตอนนั้นพวกหรือพวกดาบทเขาก็มีศีนเนี่ยเขาต้องมีอย่างน้อยศีนแปดขึ้นไปทั้งนั้นนะเแสดงว่าพอมาเป็นพระมันมีมากกว่าศีลแปดสินสิบขึ้นไปอีกเนี่ยมีความละเอียดขึ้นไปกว่าศีลทั่วไปนและที่พระพุทธเจ้าท่านไปเจอท่านไปเจอนักบวช นั่นก็ถึกนั่นก็ถิดสิจะมากกว่าสินแปดแล้วใช่ไหมครับก็เวลาไปเจอท่านไม่ได้เจอในฐานะเป็นพระท่านเจอในฐานะเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์ oh, <okay. S 2> เวลาท่านไปสแสดงทำให้กับนักบวชในรัฐที่อื่นนี้ <Okay. S 2> ท่านก็เหมือนกับไปเยี่ยมเขาไปสนทนาธรรมกับเขาแล้วก็สอนทำให้กับเขาเขาจะกราบท่านหรือไม่กราบท่านท่านก็ไม่สนใจท่านเพียงแต่ไปในฐานะที่จะ ไปสนทนาทำแบ่งความรู้กันแลกเปลี่ยนความรู้กันไปในลักษณะนั้นไม่ได้เป็นลักษณะว่าฉันเป็นใหญ่กว่าเธอเธอต้องกราบฉันเพราะเวลาอยู่ต่างสำนักกันนี่ก็จะไม่รู้ว่าสำนักใครสูงกว่าใครก็ต้องให้เกียรติกันไปเช่นนี้นเราไปเจอบาทหลวงที่วัดคาทาลริกนี่เราจะไปบอกบาทหลวงกราบข้าพเจ้ามันก็ไม่ถูก เราจะไปกราบบาทหลวงก็ไม่ถูกเราก็แสดงความคารวะแบบเหมือนกับว่าเป็นนักบวชด้วยกันก็แล้วกันมีสถานาภาพเท่ากันในฐานะที่เราเป็นนักบวชให้ความเคารพต่อกันละกันเหมือนกับเวลาเราเจอคนเราก็ให้ความเคารพต่อกันละกันด้วยการยกมือไหว้เขาจะแก่กว่าเราหรือเขาจะอ่อนกว่าเราบางทีแล้วก็ไหว้เขาเขาก็ไหว้เราไปถ้าเราไม่รู้ว่าเขาแก่กว่าเราหรืออ่อนกว่าเราใช่ไหม อันนี้ก็เป็นเรื่องของมารยาทของการพบปะสังสมคมกันเท่านั้นเองแต่ถ้าจะมากำหนดกฎเกณฑ์ก็ต้องเมาคุยรายละเอียดกันว่าใครมีศีลมากกว่าใครใครสูงกว่าใครใครเป็นอาจารย์ใครเป็นลูกศิษย์แล้วก็เขาว่ากันไปตามสถานภาพนั้นต่อไปคาถามต่อไปจากคุณเทพธิดาครับพีฉันเคยฆ่าสัต เวลาดิฉันได้ทำบุญดิฉันแผ่เมตตาได้ตลอดเขาจะได้รับไหมเจ้าคะ่ะแผ่ยังไงไม่มีคนรับจะแผ่ไงก็ให้เขามารับก่อนเฉแล้วค่อยแผ่ก็ไม่มารับก็จะไปแผ่เวลายุงเวลามดมาขอแผ่เมตตาเราก็กระทืบมันนี้เวลาไม่มีคนนี่แหมแผ่ไม่มีอะไรมาขอแผ่แผ่ใหญเลยเนี่ยพวกมดมแมลงเนี่ยเป็นพวกเจ้ากรรมในเวลเราทั้งนั้นรูป้ปะ ใครที่มาสร้างความทุกข์ไม่สบายใจให้กับเรานี่ถือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรทั้งนั้นอ่ะพวกมดมแมลงพวกงูอะไรต่างๆนี่มันก็เหมือนเจ้ากรรมนายเวรของเราอ่ะเวลาเจอก็แผ่ไม่ตายมันเสียไม่แผ่มีแต่จะกระทึบมันอย่างเดียวคำถามต่อไปจากคุณนาราครับผมถามว่าเวลานั่งสมาธิผมก็พาภาวนาพุโทโธ ผมนั่งสมาธิไม่โดนพัดลมเวลานั่งนานมีเหงื่อไหลออกมาออกมาจากร่างกายมีความเจ็บปวดของร่างกายเป็นเพราะอะไรเวลานั่งใกล้พัดลมเปิดรู้สึกเย็นสบายเป็นเพราะอะไรมีวิธีแก้ไหมครับขอเรียนถามพระอาจารย์ครับก็ร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้เวลาออกกาลังกายเหงื่อมันก็ออกเวลานั่งสมาธิเหงื่อมันก็ออกเพราะว่า เวลานั่งสมาธิกิเลสมันจะสร้างความอึดอัดสร้างความร้อนให้กับร่างกายขึ้นมามันก็เลยเหงื่อแตกขึ้นมาได้แต่ถ้ามีพัดลมมันก็จะพัความร้อนออกไปจากร่างกายก็ทําให้รู้สึกเย็นสบายแต่การนั่งสมาธินี้เราไม่ต้องการความเย็นสบายทางร่างกายเราไม่ต้องเราไม่กังวลกับความร้อนความเหงื่อแตกของร่างกายเรานั่งเพื่อให้ใจสงบ น่นเวล า, เานั่งเราอย่าไปให้ความสำคัญกับความเจ็บความสบายของร่างกายให้มีให้ความสำคัญกับสติคือให้มีสติอยู่กับพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวพอใจสงบแล้วใจเราจะเบาจะสบายจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดของทางร่างกายคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณสมทรงครับพระอาจารย์คะหนูนั่งกรรมาฐานวันละหลายครั้ง ช่วงไหนอยู่บ้านคนเดียวจะทั้งวันค่ะครั้งนี้แปลหลังนั่งแล้วกลางคืนไม่หลับไม่ง่วงไม่เพลียจิตก็สงบนิ่งดีค่ะแต่หนูอยากหลับปกติเพราะอะไรครับก็เคยหลับไหมก็เลยอยากอย่าไปอยากใส่เมื่อไม่ไม่หลับก็ปฏิบัติต่อไป นานจะได้เจอจิตแบบนี้ทักทีจะได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมเร็วๆกลับไปอยากนอนซะอีกเนี่ยอทีเวลาอยากจะปฏิบัติพอง่วงนอนก็โบนอีกความง่วงนอนอยากจะไม่ง่วงขึ้นมาอีกซะแล้วพอไม่ง่วงก็อยากจะให้หมันง่วงเนี่ยคือกิเลสเข้าใจไหมอ่าทําไม่ง่วงดีแล้วจะได้ปฏิบัติมากขึ้นจะได้มีโอกาสได้บรรลุเร็วๆขึ้นนะ ถ้ามันไม่หลับก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิเดินจงกรมต่อไปอย่าไปอยากนอนถ้าอยากแล้วมันจะทุกข์มันจะไม่สบายใจมันจะหงดุดหงิดคำถามต่อไปจากคุณปนัดดาครับถ้าเราจัดงานบวชให้น้องชายเราจะได้บุญด้วยไหมคะถ้าเราเป็นเจ้าภาพเราก็ได้บุญนี่ถ้าเราเป็นคนเสียงเงินเราก็ได้บุญเพราะเราเป็นคนทาบุญมีคาถามจากอินบ็อกซ์เข้ามานะครับจากคุณจีรเดชครับ ผมนึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายและความไม่เที่ยงของสังขารอยู่ตลอดเวลาจากการใช้ชีวิตประจําวันอย่างนี้ถือว่าเป็นการวิปัสสนาหรือไม่ครับก็ส่วนหนึ่งเราต้องมองไปอีกส่วนหนึ่งว่าถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วก็ต้องหยุดทําตามความอยากต่างๆมันยังไม่ครบหรือคิดเพียงครึ่งเดียวยังไม่พอที่ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเราก็ต้อง คิดว่าถ้าเราไม่อยากทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเราก็อย่าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกเราก็ต้องไม่ไปทำตามความอยากต่างๆต้องให้คิดแบบนี้อยู่เรื่อยๆอย่าไปอยากกาแฟอย่าไปอยากดูหนังฟังเพลงอย่าไปอยากนอนกับแฟนเนี่ยตัดมันไปให้หมดแล้วก็มานั่งอยาให้มาอยากนั่งสมาธิแทนนั่งสมาธิทาใจให้สงบมาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อย ถาอย่างนี้เดี๋ยวก็จะเป็นวิปัสสนาขึ้นมาเต็มรูปแบบคําถามต่อไปจากคุณประภาพรครับการละสักกายทิฏฐิคืออะไรเจ้าคะคือความเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราความจริงร่างกายมันเป็นของพ่อของแม่เป็นของขวัญที่เรารับมาจากพ่อจากแม่เป็นของขวัญที่ทํามาจากดินน้ํานมไฟเป็นเหมือนตกตาตัวหนึ่งที่ในที่สุดมันก็ต้องแกเ่เจ็บตายไป กลายเป็นดินน้ำหลุนไฟไปอย่าไปถือว่าเป็นตัวเราของเราแล้วเราจะไม่ทุกข์เวลามันแก่มันเจ็บมันตายคำถามต่อไปจากคุณอัญชรีครับถ้าเป็นคนกลัวผีมากๆจะแก้ไขได้อย่างไรคะพยายามภาวนาแล้วก็ไม่หายกลัวคะ่ะอ๋อต้องไปหาผี ไปนั่งกับศพเลยอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยกลัวผีพอไปนั่งสมาธิที่หน้าหลุมศพดูศพนั่งดูศพไปเดี๋ยวมันก็หายกลัวเพราะเวลากลัวมันก็พุทโทกันเต็มที่เลยพอพุทโทเต็มที่ปับ๊บจิตสงบก็หายกลัวต่อไปก็อยู่กับผีได้อย่างสบายคำถามต่อไปจากคุณฐานครับนั่งสมาธิบ่อยๆแล้วปวดตัวเป็นพักๆ แก้ไขได้อย่างไรครับเอาความปวดไปแก้ไม่ ไ, มได้หรอกแต่เราแก้ใจเราไม่ให้ไปปวดได้เราอย่าไปสนใจกับมันพุโทโธไปภาวนาไปพอใจสงบแล้วใจจะไม่ปวดกับความปวดของร่างกายคําถามต่อไปจากคุณแหวนครับขอวิธีทําสมาธิเพิ่มความจําในการเรียนหนังสือค่ะออก็นั่งสมาธิทําจิตให้สงบแล้วเวลาเรียนหนังสือมันก็จะจําได้เพราะใจมันจะไม่ไปคิดเรื่องอื่น อาจารย์สอนอะไรพูดอะไรมันก็จะเข้าไปในใจหมดมันก็จะอยู่ในใจที่เราจําไม่ได้เพราะเวลาอาจารย์สอนเราไม่ฟังเราไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้กันจิตเราไม่สงบไปคิดถึงแฟนไปคิดถึงขนมคิดถึงที่เที่ยวกันพออาจารย์สอนเสร็จก็ไม่รู้เลยว่าอาจารย์สอนอะไรบ้างจําไม่ได้เลยแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการฟังการอยู่กับการสอนของอาจารย์อาจารย์พูดกิจคามันก็เข้าไปในใจหมด มันก็จะจำได้หมดงั้นหัดฝึกนั่งทาสมาธิหัดทำใจให้มีสติให้นิ่งเวลาฟังคำสอนของครูบาอาจารย์หรือเวลาอ่านหนังสือมันก็จะจำได้คำถามต่อไปจากคุณขันธิพง์ครับมีคนบอกว่าจิตเป็นนามแต่กระผมพิจารณาแล้วไม่ใช่ทั้งรูปทั้งนามไม่ทราบว่าพิจารณาถูกไหมครับ นามมันก็เป็นชื่อรูปมันก็เป็นชื่อจิตมันไม่ได้เป็นชื่อจิตมันก็เป็นจิตใหรรู้ว่าตัวจิตคือตัวรู้ตัวคิดเนี่ยพอไม่ต้องไปสนใจว่ามันชื่ออะไรแม้แต่คาว่าชื่อจิตชื่อใจก็ไม่ต้องไปสนใจตัวจริงๆมันไม่ไม่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นจิตหรือมันเป็นใจเพียงแต่เราไปตั้งชื่อให้มันว่ามันเป็นจิตเป็นใจนตัวจริงๆองมันก็คือตัวรู้ตัวคิดนี่เท่านั้นเอง ตอนนี้คำถามหมดครับหมดแล้วน ะ, ะดเดี๋ยวขอพักดื่มน้ำก่อนให้ท่านที่ฟังถ้าอยากจะถามจะได้เข้ามาถามได้เดี๋ยวถ้าไม่ถามเดี๋ยวก็มีเข้ามาเดี๋ยวคาถามช่วงนี้ยังพิมพ์เข้ามาอยู่ดังๆหน่อยเอาไม้ไปพูใกล้ๆหน่อย เออพอดีหลังออกจากจากสมาธินะครับก็ลืมตาเพ่งดูคนที่นอนอยู่นะครับก็ตายตายหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างจนกระทั่งแห้งเหยียวแต่เสื้อผ้าขณะที่เราลืมตาเพ่งนะครับอาจารย์แต่จะทราบว่าเป็นกรก ร, มกรมฐานชนิดแบบไหนครับอาจารย์ ก็เป็นจินตาง่ยยังไม่ได้เจอของจริง mm. เพียงนึกคิดไปก่อน่าร่างกายตายหนึ่งวันเป็นยังไงตายสามวันเป็นยังไงแต่ว่าภาพเปนปรากฏอ่านั่นแหละไว้รอดูร่างกายของคนที่เรารักเป็นก่อนนั่นแหละเป็นของจริงเช่นพ่อตายแม่ตายแล้วดูซิว่าใจเรานิ่งหรือไม่นิ่งถ้านิ่งก็แสดงว่าเป็นภาวนาเมย์ปัญญาถ้าไม่นิ่งก็ยังเป็นจินตาอยู่ ยังหยุดความทุกข์ไม่ได้ออตอนต้นยังไม่เห็นของจริงก็คิดไปก่อน <c oughs> นึกไปก่อนเพื่อที่เราเวลาเจอของจริงเราจะได้ไม่ตกใจไม่กลัวไม่ทุกข์กับภาพของจริงที่เราเห็นอันนั้นถ้าเราไม่ทุกข์ก็แสดงว่ามันเป็นภาวนามายปัญญาถ้าเห็นแล้วยังทุกข์ก็แสดงว่ายังไม่ใช่ภาวนามายปัญญา จิตยายังไม่สงบพอที่จะทําให้ใจเราไม่ทุกได้คํำ ถ, ถามต่อไปจากคุณเพนจันท์ครับคําว่าอยากไปอยากโน่นอยากนี่นั่นคือเราไม่ทําตามความอยากแต่สิ่งที่เราทําประจําวันก็คือทําตามหน้าที่ที่เราควรทําใช่ไหมคะก็หน้าที่มีหน้าที่ควรทําและไม่ควรทํำด้วยเหมือนกันหน้าที่ที่ควรทําก็มีแค่สี่ประการคือ อาหารหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคหาเครื่องหนุ่มเครื่องนุ่งห่มให้เราเท่านั้นเองถ้าหามากกว่านั้นก็ไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ยังถือว่าเป็นกิเลสอยู่หาลูกหาภรรยาหาสามีหรือมีภรรยามีสามีมีลูกก็ต้องเลี้ยงสามีเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยานี่นี่เป็นหน้าที่ส่วนเกินที่เราต้องตัดให้ได้เวลามีหน้าที่ที่จําเป็นทก็คือเลี้ยงดูร่างกายของเราเท่านั้น เพื่อเราจะได้เอาร่างกายนี้ไปตัดกิเลสตัณหาไปปฏิบัติธรรมเพื่อฆ่ากิเลสฆ่าความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณเทพธิดาครับเขามาขอลูกดิฉันบวชกรณี น, นี้ดิฉันจะได้บุญเท่ากับคนที่เขาขอไหมเจ้าคะก็อย <c oughs> ู่ที่ว่าใครเป็นเจ้าภาพะใครเป็นเจ้าภาพคนนั้นก็จะได้บุญจากการเป็นเจ้าภาพ ส่วนการบวชนี้ลูกจะเป็นคนได้บุญเพราะลูกเป็นคนบวชลูกเป็นคนปฏิบัติลูกคนคนรักษาศีลแต่ถ้าแม่ไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่ให้เขาไปก็อาจจะได้ตรงที่อนุโมทนาคือไม่เสียใจกับการเสียลูกไปบวช ด, ดีใจมีความสุขกับการบวชของลูกก็จะได้ในส่วนนั้นถ้าแม่อยากจะได้บุญก็ต้องไปเยี่ยมลูกไปทำบุญที่วัด แล้วก็ไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยอันนี้มากก็จะได้บุญคำถามต่อไปจะคุณฐานครับความอยากที่จะทำความดีอยากดูแลมารดาให้ดีไม่ใช่กิเลสใช่ไหมครับก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่ามันก็ยังเป็นความอยากที่มีกิเลสอยู่ก็ยังมี ความอยากให้แม่ไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่อันนี้ก็ยังเป็นกิเลสอยู่คำถามต่อไปจากคุณโก้ครับอยากให้ใจสงบเราต้องทำอย่างไรครับก็ต้องหยุดคิดต้องมีสติควบคุมความคิดให้ได้ใช้พุทโธพุทโธไปแทนความคิดแทนที่จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คิดแต่พุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะสงบ คำถามต่อไปจากคุณวีระพง์ครับการบรรลุพระโสดาบันได้ต้องละสังโยชน์อะไรบ้างครับก็เมื่อกี้ตอบไปแล้วนะละสามประการสกายาทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัฒตะปรมายอมขออนุญาตตอนนี้หยุดคุยก่อนนะเพราะว่ามันมารบกวนทางนี้หมดได้ยังครับมีคำถามครับอเข้ามาคำถามจากคุณรัตนาครับ ตอนนี้สังเกตว่านั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงเหมือนเวทนาทางกายไม่ปวดเหมือนเหมือนแต่เดิมแต่ถ้าเริ่มเลยสองชั่วโมงจะเวทนามากขึ้นอย่างนี้เราต้องผ่านเวทนาอีกขั้นใช่ไหมคะก็ผ่านได้เจ็ดครั้งก็ยิ่งดีก็จะทําให้สติเรามีความมีกําลังมากขึ้นไปอตอนนี้หมดแล้วครับหมดแล้วน ะ, ะถ้าหมดแล้วก็จะ